จะแผนมาครั้งนี้เห็นก็ต้องยกเรื่องกับไปตั้งคณกกับทับเราที่ตำบลเตติงนี่อดหลวงอ่านแผนการอันเดียวกันเลยแต่ที่สูมาอี้คิดเลยชูมาอี้จะต้องยกตั้งคณะกรรมาหน้าที่ตำบลเตติงเพื่อจะติดผางติดต่อของเราเสียติดต้นานของเราผู้ใดจะอาสาไปรักษาที่ตาบลเตถึงไม่ได้ ผมได้ประกาศหาผู้่าสาเป็นคนสคำคัญเฉพาะบารัสมาดมิวัตซูมาฮีก็คิดที่จะไปทีมบารมีไปประกบอีกบารมีผมได้ก็คิดช่นนี้ผมเด่เดเนก็ถามว่าใครจะอาสามาเกมาเกตตอบผู้นีเชื้อสายสกุลเร า, า, าเป็นความหวังเป็นอย่างดีมาเตตู้เรียกตนเองรบรู้มีสติปัญญา ข้อจรับอาสาที่นอยู่รารอข้าพเจ้าจะรับอาสาไปเอ ง, องเกอเบ่งอจีว่าถึงท่านจะไปรักษาตำเบญเกติก่งนั้นก็ขอบใจอันที่เกติ่งถึงจะว่าเป็นตำเบญ น, น้อยก็จริงแต่ว่าเป็นที่สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ ท, ที่หามีกําแพงไม่หมันจะป้อง ก, รรนกันรักษาในกฎยากถึงว่าท่านมีที่มีเกล็ดแขน กรมาใส่บ้านถวะเตตำาเดียวนีแหละเสียแต่่าศึกแล้วทหารตั้งซีตั้งวงนี้ก็จะเป็นอัตรายทั้งกองทัพผ่กล่าวย้ำถึงกลุ่มวิศวะอันสำคนเปเนี่ยรมามมาเก็ตก็วเสือแรงก็ะเจเป็นทหารรืวิชาการมาแต่น้อยเป็นใหญ่ทำสุดมาก็ทานมา แต่ตะบนเกศแข่งตัวนี้รักษาไว้มีได้ก็ตายก็ดีกว่าอยู่มาเ ก, กล้าขึ้นดังนี้เรียกันว่าเอาชีวิตเป็นประกจำนั่นแหละผมเห็นก็จึงว่าท่านหยาประมาอันสุมาอี้นี้มีปัญญาความคิดมากฝีมีอก็เข้มแข็งอันหนึ่งเปรียบครับปาะหารเอสมันก็เป็นกองหน้ามาด้วย เขามีรู้คีมี้าจะรักษาตำบลเกตตึงด้วยนั้น่ะยังกรไรอยู่หรือมากตก็ติ่าเรียกว่าแตมานี่กับเตียวขับมาเลยถึงเจอยอจะยกมาเองบามกลัวมาก่แล้วทสาคงทีเดียวว่าถ้าหากบาการครั้งนี้ได้เหมือนปา ให้สร้านันชีวิตกบเจา้าอีกท า, าั้งดุพาราเซให้ซิมาเก ท, ทํู้สืบพันบนใบหญิงออกด้วยจุดประสงค์สคัญก็คือจะรกักษาความเป็นตัวได้นั่นแหละคนนนีะ้ก็รักษาผู้สืบพันบน้วายและเ็เียนฐาน2องหมืนห้าพนหมาใแคร์มาเกทและก็ทท 2, 5, ฟกังอมเป็นงให้ไปด้วย แล้กจริงผู้บัญเาตัวท่านก็มีกติปัญญาย่าได้ประมาทจึงช่วยกันตกรองคิดอ่านพร้อมพันให้จงดีจะตั้งคาา่ายทำการไดทังตรวงให้ศรึกษาพร้อมบองให้พร้อมกันอย่าแข่งแย่งกันเรื่เสียตามแล้วมื่เธยทำแล้วปั้นค่ายแล้วจึงทำแผนที่มาให้แกเราถ้าท่านช่วยกันรักษาตะนเกตึงไว้ได้ ก็จะมีความชอบมาอองเง็นมาเก็ตก็ขันมากรัดทำองเล็และก็ขันมากลาคุ้มทหาร25หมนัน้นยกไปยังตําบนเกษิ ย้อนไปแล้วแตรักษาตะนเกติ๋งมันกล่านะครับบอกเกตเป็นจุดยุติศาสคาคัญเลยทีเดียวล่ะโดยสองคาอบุงก็ว่ากับโเสียงว่าอมาเจกับองปงทื่เรรษานเกตนั้นเรามีความวิตกไม่วงใจเลยเม่ว่ามือหนีเสียนั้นออกกลนกับเกติ๋งสคัญ แล้วก็เป็นศอกเขาป่าบงรบชักมีที่ที่จะสุ่นจะแก้งทหารไว้เรื่มมาท่านจงคุมทหารหนึ่นยกไปตั้งอยู่ในเมืองหินเสียชุ่มทหารเขวัตถ้าเห็นว่าเกตถึงจะเป็นตการใดแล้วจงยกฐานเข้าช่วยมาของเป็นทันทุกทีมีคุมดึงเกรยยดจับพลงสั่งการซ้ำเป็น2ให้กกองพิกองนเมืองมีโกจิงค โกเสียงก็คำนักวาแล้วก็ยกฐานไปตั้งสิ้นดิบมาฝั่ ง, งละหกหลงอุปราชมืเสลี่ยฝั่งการต่อไปบัตรนี้สึดใหญ่แล้วเด็กมีเหรียญเข้ามาแล้วก็สั่งว่าบัตรนี้เราได้ให้โกเสียงเนี่ยไปตั้งอยู่ในเมืองเซียแล้วนะแต่เราก็ยังไม่หวั่ใจเลยดิเกตถึงสำคัญนะ การคลังเนี่ยเห็นจะใหญ่หลวงอยู่ท่านจะยกฐานไปตั้งซุ้มใบมะหลังเกตุหากกองทัพเราเสียีจะได้ช่วยกันผมไม่นฝั่งวีเยียนวีเยียนนี่มักจะมีปัญหาดีเดวยตลอดแบบอีหนงก็ตัวเขาเป็เจ้าเป็นทัพมากชอบแต่ท่านจะใช้เขาเเจ้ายกไปทำความชอบก่อนอีกและบัตนี้ มหามาอกระาก็ใช้มาเจ๊คอมถึงไปแล้วแล้วก็ใช้โกเสียงยกไปอีกผลพบนีงทั้งสมั่นต่างก็แปลความชอบกันแล้วแตจะกลับมาใช้ขบเจาบเป็นคือเป็นกองหน้าไปทําการภายหลังเขาเชนเนี่ย<ๆ>ก็จะกปล่าประโยชน์อยู่เกีวความชอบละการใดนี่อุนเอียนคนที่ผมได้เห็นแต่ครั้งแรกสั่งทหารชีวิตเลยเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ถือไปแล้วแต่จะทําการไ ม, ไ, ไม่ได้ด้ีไม่มีความชอบนี่ผมเบ่งก็ะจุงละมี่เอียนท่า น, ยนอย่าน้ใจเลยอาม่าเจและเอาเต้โกเสียนั่นนะเห็นจะสู้เปรียครับนได้หรอท่านเดี๋ยไปเป็นกองหลังครั้งนี้แหละเห็นจะได้ทําการใหญ่มีความชอบอีกครั้ง ตำบลเกสุเนีนเดียดคว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยด้เป็นที่สำคัญยิ่งยูจะดประมาทอุสาหัวปรา ป, ป้องกันเป็นปวดขังอให้เป็นันตรายได้ของเบปล่ร์เอาชนะอุนเอียงก็จุคำนับลาออกมาจากแยงฐานพร้อมแล้วก็ยกไปตั้งซุนดมะหลังตำบงเกตุง อยอกโง่มาทิดการพค้งง้มกลเมหม่งมาตลาดใหญ่สั่งการที่เกเติงไปหมดแล้วบุคคลสำคัญสำคัญก็ไปแล้วทีนี้มีที่สำคัญคือจูเลนตตะเปงกีฮีจูเง ผมเบ่งก็เรียกจูรื่องเป็นกีเข้ามาแล้วก็สั่งจูรื่องกับเป็นกีว่ะคือจูรื่องกับเป็นกีเนี่ยมีฐานอยู่ห้าพันเป็นกองหน้ารถรุมาเนี่ยมาบัดนี้ผมเบ่ก็สั่งทั้งสองว่ะท่าป็นคุ้มทหารเป็นกองทัพล่อคือไปล่อทัพซูมาอี้ณที่ตาบลกิโกะมาตวัฒจะมีได้รบพุ่งก็ดีแม้กองทัพซูมาอี้เห็นเข้าของนั้นแก็จะตกใจ และตั่เราจะยกกองหลวงไปยังเมืองไผเสือเลยทีเดียวถ้าได้เมืองไผ่เสือแล้วก็จะได้เิ่มเตียอดการของตั้งแต่เราไปกระทานี้ก็สาคัญอยู่เป็นตีกับตีลงก็รักทางแล้วก็ยกทหาไปองบ น, นั้นก็จึงตั้งเตียงอยวาทหารที่เตัวมาใหม่เนี่ยให้เป็นกองหนะ้า แล้วก็ยกทับหัวออกจากไข่เขาตีสามยกเรื่องไปถึงมาฟังลนี่กันว่าคือมันเิ มาเก็คั้งยกไปถึงตนเกตเติงกับพิเคราะหน์นนพนผานแล้วก็หัวเราะแล้วก็จึงว่าตะ บ, บนเกตเติงนี่้วยฐานเขาเป็นอันมากที่ไหนทหารคูมาอี้จะยกมาได้มาอปราชนี้ปรรมไปจะมีหาต้องการไม่มาเก็ปล่าวกล่าระมาทกเหลือกไีเดีวองเติง ขไม่สมกมาด้วยนี่ก็จิงทว่า อ, อันตำบนเกศ เ, เนี่ยท่านมหาอุปราชในกำชับมาว่าเป็นที่สำคัญอยู่เราอย่าประมาทขอให้ท่านตั้งค่าใหญ่ครอะปาก ท, ทางในองคงวัดด้ว ม, มีทางน้อยแยกออกเป็นถึงห้าทางที่จะเข้ามารวมกันนะัต้นทางเนี่ยตัวก็จะมีข่าสุกแต่งกองทัพแยกมาบรรจบกันจะไว้ใจนี้ได้ มาเจก็จ่าอันเกกตั้งถ่ายลงในกลางทางเนี่ยหันมีแบบอย่างทรรมเนียนที่ใหนไม่จะภูเขาลานภานี้กบฏอยู่เขาเดียวข้างปีนเขาเราก็มีป่าไม้รกชัา น, นี่ก็เหมือ น, นดังเพื่อพดามาแต่งที่อานเป็นชายแคระไว้แก่เราแลเราจะยกทหารขึ้นไปตั้งซุ่นที่บนยอดเขาที่จะไม่ดีกว่ารอันเป่งก็จริงว่า จะพิ้งที่สําคัญนี้มีขบจับนี้เองด้วยทำนม้ว่าตั้งค่าติดภัยนี้ลงไปแล้วถือว่าค่าติดจะยกมาสักสิบหมื่นคอยเลือดจะมีอ่ะหักทางนีลงไปได้คงไม่มีใครจะผ่านพ้นความนี้ไปได้แต่ถ้าท่านจะคุ้หนานที่ติดตั้งอยู่บนภูเขานั่นนะถ้าขาดติดรู้แล้วก็ยกฐานมารองไว้ท่านเฟพิสเนี่ยจะมีอับจนด้วยรือ มาเกตผูรู้หรือว่าผู้เอือวเอือวว่ารู้ไม่กหกหรอทีเดียวแล้วจะพิว่าท่านว่าท่านนีน้มีความคิดผู้ยิง่งโบราณว่าไว้ว่าะระตุ้ให้อยู่ที่สูงจึงจะต่อได้ศัตรูกระด้ยเตี้ยอาจเจ้าชายชนะได้โดยเร็วมิพาไม่ไปแม้สต่ทูมายยกมา เราก็จะไล่แตกหนีไปนี่ให้มีเราะติตดตัวไดแต่คนเดียวมาติดอ่านโบราณองเต่งก็อ่านเหมือนกันองค์เป่งก็จีว่าโบราณทุ่งกวาทํำสงครามให้อยู่ศูนย์ไม่ตก็ชอบอยู่ถ้าไลจะตั้งอยู่บนเขามันแล้ว้าจดยกมาล้อมมาติดทางน้เาเถอรล่ทหารเราก็จะอดน้ากระหายอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราที่ประการใดองคนเป็นว่าอย่างมาเจก็โตต่อไปดีกว่าท่านหารูจ้จักทำการสืกใหมก็โบราณว่าจะทาซึกให้ตั้งที่ตายก่อนแล้วที่ตั้งที่เป็นแม้ข้าจะร้อมเราไว้ใคร ท, ท่านก็ยอมอดา้ำก็นหมอนทาโทษใส่ตัวเองเมื่อฐานเราอดมาำแล้วมันมีหรือ จะมีสู่ตายบางนก็จะมีใจกำเริบโกรธโนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าคนหนนก็จะคู่คนไมาตั้งร้อยก็จะหัออกมาให้จนได้ถ้าสุดก็จะแตกระใจไปเองตัวเราก็ได้เรียนรู้ในกลมสงความทำการฝึกมาก็หลายครั้งถึงหมาอุตรา ก, ก็ยังต้องปึกษาหารู้เรา อ, อยู่เนเมือง เจตัวท่านเพียรเนียมาดินขวาเราความดนต่อไปนี้ครับมาเานี้นีี่ยกนตัวเสร็จแล้วมงเลยทีเดียวล่ะหรือยกว่ามาอาปอัเราเูในการสงครามการมาหลครั้งถึงมาอุาอยู่ในึกหาเราอยู่น ยกสูงทีเดียวเสร็จ แ, แล้วก็ขมอยู่บลลก์เหตุแค่ไหนตัวท่านเพียงนี้จะมาดีนิ่งขัดขวางเราองเป็นก็กิัว่าถ้าท่านนิฟังจะยกฐานขึ้นไปตั้งบนภูกขาวออจะตามใจจะจะขอบแบ่งฐานข้าพเจ้กสุนึ่นเถอขจะขาเจาจะไปตั้งค่าอยู่ข้างติดใต้แม่ข้าสุดยกมา้องท่าน ข้าพเจ้าจะได้รถพุ่งปานผ่านไวมีก อ, องถิงเห็นว่าพทางไม่ได้แน่แล้วเนี่ยก็ขอแบ่งทางู่ขณะที่เรีกคู่กันอยู่นะก็อดีช้าป่าพวกมันแตกมาก็ามาบอกทีว่าแบบ น, นี้ทหารชูมาอี้ยกกองทัพมาใกล้จะถึงตำบลนี้แล้วมาก็กเด็กใหญ่เนี่นก็กว่ากองถว่าเราจะแบ่ ง, นนง 5, ทหารได้ตั้งห้าพันนไปปั้นทายหยุดตามที่ตั ต้องกเถอะควรเราจะยกพลขึ้นไปตั้งบนเขาและถ้าทําการกาจัดฆ่าสุดเสได้มีใครชนะแล้วเราก็จะนิยบความชอบให้แก่ท่านนี่นมแมยังยอมให้ความชอบล่ะเพราะว่าต้องชนะล่ะเอาเถิงก็รนลเอาทหารจะมุ่หน้ามานั่งละมาแล้วนะลก็ยกไปตั้งค่ายอยู่ไกลจากภูเขาไประยะประมาณร้อยเซนแล้วก็ รีบทำแผนที่ทีเดียวให้คนนาไปส่งให้ก่คบ่งได้แก่ที่ท่านไฟสุมาอีสุมาอีสุนี่บุกแผนการสุอีบุ้มาอีได้สุมาเตียวพูดดังกล่าแล้วนะครับคุมาหูสุมายวบุกท่าสุมาองคนเนี่ยอ่า สติปัญญาทิ้งเชยยักษเยี่มากล่ะคุมาอี้น่ะเป็นหนึ่งอยู่แล้วบุกทั้งสองนี่ตอนนี้ได้รองเลยสุมาอให้คุมาเยอะคุมาเยอะไปสอบแนวดูแล้วก็ฝันว่าถ้าไปถึงตำบลเกติแล้วอย่าพู้มหวานเก่ยักยังซับความดีกว่าคืออย่าพูดทอะไรยมวานไปให้เสพความตั้งหลายั้งตัวตั้งฟินดูให้ด้วยดี แม่เห็นขงเบ้งให้ทหารยกไปตั้งอยู่แล้วก็เตือนรุ่นมาบอกให้เราได้แจ้งขณะนั้นสุมาศยก็ยกทหารไปเกาะแมนดูกด็เห็นทหารขงเบ้งตังอยู่ในที่นั้นคือมาตีของปิงสุมาเศ ก, ก็กลับมาบอกกับุมาอี่ที่พอสุมาอีอาอ้ได้แจ้งดังนั้นพอรู้ขงเบ้งส่งทหารไปอยู่ก่อนแล้วเนี่ย ถอนใจถอน ใ, ใจเรือยเลยชูมาอี้นี่ีกว่ารู้ก็รู้นะรู้แตะเข้าทางกันแต่เชิงความทันท่วงทีทีอนนี้ต้องกล่าวว่าชูมาอี้าไปแ้แล้วคงได่นทาไปที่ะนมันได้ควาแล้วเนี่ยชูมาอี้รู้เข้าจนเนี่ยถอนใจเรือกเลยแล้วก็ถึงกล่าวว่างเด้นนี้ มีปัญญา ร, รู้ตลอดรู้ไปประดุกหน่งเทพพยดาเรานี้รู้นี่ถึงเลยสุมาอียอมรับเลยว่าตัวเองรู้ไม่ถึงรู้ไม่เท่าสุมาเกีย่ยวผู้บก็ขทีว่าเหตุเดบิดามาโดนเสียใจ้ค่นี้เราเ็าบอกเจ้าในเห็นว่าตำบลเกตเตงนั่นนะ่ะแม้จะรบอเอาในคะนได้ง่ายวิภัทต์ก็วิบตกเลย มาอีก็ติณานว่าเหตุไหนก็จีจากระกาประมาทเขาชทนี้สุมาเกียวผู้สื่อเด็ไปดูสถานที่มาแล้วนะไปเห็นมาแล้วไปรู้แล้วก็จิงพูดว่าข้าเพเจ้าไปสอบแนดูนะเห็นตะบนเกต เ, นนเออต่งทหารคงเบ่งจะได้เข้าตั้งค่ายณนะที่อันสาคัญอยู่ในที่ที่อันสำคัญก็หานี้ได้ มันทัพขึ้นไปตั้งอยู่บนเขาสุมาอีพอได้แจงแบบนี้ก็ยิงดีที่ดียวจึงว่าแม้เป็นเช่นนั้นก็หวังเทพยาดาช่วยเราจะให้เราได้ความชอบในครั้งนี้เป็นมั่นคงซุมาอีพอรู้ช่ดีว่าฐานของเบ่งติดปลายาแต่เปล่าวู้ให้ชัดเจนคือมาเจ็ตนิตั้งข่ายข่มส ก, กัดควบคุณพื้นที่สาคัญนนไว้ ไม่ยิดชายพูมิสําคัญมันไวแต่กลับขึ้นไปอยู่บนหูเขาเฉยๆคุมาอีพอรูช้ชะนีเนี่ถึงกับบอกว่าตัวตยดาช่วยเลยคุมาอีก็แต่งตัวใส่เกรอกขึ้นมาคุ้มรานประมาณ100ร้อยเศษรีบไปยังตาบลเกติ๋งแล้วก็ไปเที่ยวดูภาพทางดูทางเข้าดูทางออกทางออกทางเข้าเป็นประการได้ย่างไรนูผู้นี้ก็เทศนีแล้วก็กลับมาที่เดียว ซในขณะนั้นมาเกมาเผู้อูก้ก็ังถาทั้งปวว่าถ้าเห็นาที่มามี่ยกมาถึงตะบนนี้แล้วถ้าเราบกธงสาคัญขึ้นมเมื่อใดแล้วก็ให้ครกันลงจากภูเขาข้ไปรบพุมตทีทีมาที่แตกแตกให้จนได้มีคาสั่งของมาเที่ฟังแต่เหาถามทั้งปวงไว้แค่นี้ตี กะับมากราบาฝ่ า, า, ฝามยมไอ้อไปดเกอเยาภูมรียกบอ ว, ว่าแล้กมาแล้วเนี่การกลับมาถึง่ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่แจ้งว่าที่ตำบนเกตเต็ง น, นั่นผู้ใดอ่ะคงได้ใช้ผู้ใดามากากับรักษายอยู่ที่นั่นคือไปดูแบบรู้ว่าแต่ไม่รู้ใครเป็นนายทหารอยู่ที่นั่นก็จีนชาทหารไปสืบดูทหารคู้นั้นไปสืบแล้วก็กลับมาบอกว่าตำบลเกตเต็ง น, นั้นมาเก มองมาเลียนคุ้มหางมัดปั้งอยู่ทุมาอีพอร์โลเป็นมาเตโกฮอร์เตเดียวแล้วก็พูดว่ามาเกคนนี้ปรากฏก็แต่ชื่อคือมีชื่อวิชาปรากฏแต่เป็นคนหาปัญญามิไ ด, ด, ด้เกตุไดขุนเม้งมาใช้คนโฉดขาวจะนี้ อุปราชเมืองเฉลิข์ชวนจะเสียทีแกเราเป็นมั่นคงสุมาอีกล่าวดังนี้แล้วก็ถามทหารว่ า, าจะยกมาตั้งอยู่แต่เฉพาะมาเจกกองเดียวอย่างนั้นหรือหรือจะมีกองทหารอื่นใดมาตั้งอยูนะ่ใที่แห่งใดบ้างทหารที่เปสอบ แ, แวนวมันนะ่ะก็สุมาอีใช้คนนี้ก็ต้องเป็นคนที่ต้องรอับรู้เลยรับ ไม่แค่ไปดูแต่เพียงตัวนี้เรก็ต้อ ง, งดูจนพั่วจนรู้แล้วนี่คุณสุมาอี้ถามลีน เ, นเนีย่ยมีใครอีกไหมเนี่ยทหารี่ก็รายงานต่อไปว่ามีองค์ติคุทหารตั้งหยุลายเขานั้นออกไปเป็ราานระยะทางประมาณร้อยเซนต์ขันขนี่ทหที่เดือดสุดก็รู้ความตอนนี้คนรายงานให้ฟังสมาี่ก็ตี้เปียกครับยกไปสกัดส้นทางไว้ ทางนี้ก็เดีควหวังที่จะมีให้อองเตลงมาช่วยมาเต็กได้นั่นเองแล้วก็สิ้นตำสิ้นนี้ของนายทหารนี่นำกำลันไปตั้งิดทางซึ่งทหารของมาเต็กจะลงมาตะน้ำกิม่มมาเพื่อให้ไปสกัดกั้นทางนั้นเพื่อดีแล้วก็ฟังต่อไปว่าถ้าเห็นเราทำการได้ทุกทีแล้วก็ให้ช่วยจันสุมาลีจัดแกงกองทับ แต่ในเวลากลังคืนความรุ่งเช้าก็ให้ยกทาหารไปและกองทัพสูมาอี ก, ก็เข้าบ้านร้อมเขามันไว ผ่ามาเก๋เห็ุมาอียกขร้บดังนั้นก็า่สมญาไว้หาของตเก็บกสมญาใจทหารพเกียวันไตทัุมาอีะแต่ทหารของมาเก๋เห็นทหาร่า <coaching> ึมา้องมาอ้เป็นอมากัก็กลัวไม่อาจไดยงบพได้ก็เลยเกิเรืองดีอย่างนั้น มาเจกเห็นหารทังพูนยอดพอไปฆ่าสุดนี่ลงมาทั้งพูนก็กัวจับนายกองสองนายฆ่าสุดดีนั่นเลยทหารทั้งพูนเห็นดังนั้นมาเจกใช้อายาสุกขั้วนก็กลัวมาเจกมันก็ลงจากภูเขาเข้ารบกับทหารทูมาอี้เป็นสามาชทีเดียวทหารทูมาอี้นั้นนะที่มามาร้อมเขาเนี่ยก็ย่แอแน่นอนถ้เกินละจะต้องมีกําลังในทีนพอแต่การที่จะร้อมฆ่าสุดให้ได้ จะต้องอดใจชานะให้จบได้นะทหารของชิมายี่เด็กกรบบ้านฐานไว้ไม่เปิดช่องให้เลยทหารมาเจกจะตีหาอุปการใดอย่างไรก็มิดได้ไม่ที่ถูกเหนือกําลังนะักก็ต้องถอยกลับขึ้นไปบนภูเขามาเจกเห็น ด, ดังนั้นจะออกไปก็ออกไม่ได้ก็เสียใจก็ทําได้อย่างนี้ในตอนนี้ก็คือตั้งมัน่นไว้บนภูเขา คอยกองทัพที่จะยกมาช่วยเขานั่นเองตายองติงดีเลย์ยะหาก็เดิ ป, ประมาณรเซหากิโล เ, เมตรแต่ก็บกองทัพมาสดรดควารุ ก, ราก็เรียกุมาอีมันก็มาทหารเข้ามาร้อมมาเกปแล้วองติงก็ยกฐานมาจะช่วยมาเก็ซูมาติมีก็คิดการจะพร้อมปอนแล้วพอรู้ดีอยู่แล้ว คือส่งเปียวครับไปคอยสกัดแร้วเนี่ยอองตุนําทัพมาก็โขกกับกองทัพของเปียวครับตังสกัดทานอยู่ก็เขารวบพุ่งกันเป็นสามมากทีเดียวทหารของเปียวครับปีต้ามไวอองเตุนมาไม่ได้ก็ต้องถอยกลับไปสมารีนั้นก็สั่งกำชับกำชาตัวกราทหารเข้าร้อมพุกเขาที่มาเจอกันนี้ว่เป็นเอุปขัน ตัแต่เวล า, ชาวเช้านเที่ยงทหารของมาเก็ตลงมาตักน้ากินก็ไม่ได้ปางคนปางโตรวมเรือลำรัศมีสา ย, ยิ่งถึงละดู ด, ดูไม่ได้เค่นั้นบางก็หลบหนีลงมาแล้วก็ยอมเข้าลบนอกต่อมาอี้ให้นนั้นมากก <c oughs> ็เป็นหานชื่อฉาตเดียวกันอย่างนี้อ๋อก็ยอมสามีพักยอมลบนอกยอมอ่อนน้อมยอมให้จับเป็นเชลยดะมันก็ยังไม่ตายอ่ะ ทหารี่อยูนเขามันลงมาตกลงไม่ได้สูมาอีก็สั่งการต่อไปทีเดียวให้ถหารเอาไฟตุดร้อนตุดรอบภูเขาให่ร้อนเลยทีเดียวทหารของมาเกทั้งสิ้นก็แต่ตื่นนีรุ่นเป็นอลแมนเป็นภูเขานี่แหละมาเกเสียทีเจนีก็อยู่ต้านทานก็มิได้ <ề c satur ate> ก็ติดพาดานตีหักเร็วมาขึ้นสุมาอี้นั่นแ่ละไี่คือกองการจะได้ชีวิตมาเกตือกองการได้ใครชนะอื่นใดต้องการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการยึดตั้งบนเกตต์แต่งไดให้ได้เท่านั้นนะแตนสุมาอา้เขาติดแกล้งไอฐานเปิดทางให้มาเกตืหนีไปไฟเดียวก เห็นมาเ็กแปมาถีงน่ก็ขับตามไล่ตีตามกระชั้นมาจะจับตัวให้ได้ก็พอดีปเอี่ยนที่ผมได้ส่งมาเป็นกองซุ่มปีเอียนรู้ขลุ่นก็ยกันรีบมาช่วยพมาเ็กแปมาก็แหวทางให้มาเ็กไปก่อนส่วนปีเอี่ยนขับฐานก็รบพุ่งไปเบคับเรลฐานเดกันละฐานเสือร่เก่าเบลคับสู้กับปีเอียนเบลคับ ผู้ทีมออีย่ได้ก็ถอยหนีไปมีเียได้ทีก็ไล่ติดตามรถู้กระชังไปเป็นสำเตงคืนได้วนตามราระยะทางประมาณสักห้สมาอีมาเดียวสอง่อหยกฐามาตั้งหดยกกระหปอีเอีอย่ยมทั้สข้างทางฝ่ายเียวัหนีออี่ยมเรแเนั้น เห็นสองข้างทางของออออเป็นคูสมาอม า, าเกียวเป็นเกลาเพระฉันเียวขรับก็กลับมามดรสูนเกลนำเข้ามาอุยเห็นกลายเป็นนำเต น, น, น, นเข้าไปตกยีโลวัววนทําการที่รบก็กรบพุ่งข้าวันจะลุบบอลกันเป็นโร ม, มาโดยที่ดียวหาที่นันคณานั้ น, น, ห น, หนทหารอุยเอียนถูกล้อมอยู่แค่นั้ น, นถึงสามพักห้าเดีย ก, กันเนี่ย ขูาฆ่ามล้มตายในที่ลกตึก็พนิพน อ, องเต๋ยกามาทันเห็นสุมารีองเงกเห็นเข้าไว้ อ, องเตก็ตกระนา ก, ก็ไปช่ยมเอ็นได้มีเหีนเห็น อ, องเต๋มาช่วยกีควดนี่ก็ว่าีนี้เราไม่ตายแล้วเราสองนาถาน้ก็ น, นกันบังจตระดมปีกองัพสุมา่าฟันฐานล้มตายลเตือนทั้งสงข้างทางสุมาร คือมาเกียวและเกียวครับก็ถอยทหารท่ายออกมามีางเหรียญกับออมถึงก็พากันลบบาากลับไปจะเข้าข่ายอ่ะพอมาใกล้จะถึงแรลไปนี่เห็นพมปัดีนสวัยอยู่ปลายค่ายนั่นไม่ใช่พลของตัวเป็นพล ข, ของฝ่ายศัตรูก็รู้ว่าข้าจะไม่เขา้าทีมเอาค่ายไว้ได้ก็แล้วก็จิงให้ทหารรอยอยู่ก่อน ทีน้ ง, งฝ่ายซึ่งตามซิ่งนีทิสมาเอะเปิงค่ายเราถึงข้าไปยึดค่ายอยู่ในค่ายได้แล้วน่ะเห็นมีเอียน อ, องเป่งกลับมาจะเท่าค่ายเนี่ยซิ่งตามซิ่งหนีก็ุณารอกมาลบท่าทางไว้มีเอียน อ, องเงกต้องพาฐานหนีจะไปหาโกเสียงนมเรียนหรืเสียขณะนั้นโกเสียงเนี่ยก็แกว่วตเบเกติงเนี่ยเสียให้กบสุมาเอะกปแล้วน่ะ ยกถานมาช่วยละผมมาพบปีเอ็้นองเก๋งแปมาปตาฐานแก่งเลยต้องโยงที่ประการแารกก็คืออะเวลาทมวัาานวนี้เราจะช่วยกันยกฐานข้ อ, ปป อ, อ, อบนชิมเอาข้าวที่ตบนเก๋งขึ้นทีาตรกรติดาพร้อมไปลวฉะนั้นเวลาทำก็แยกฐา น, นมาเป็นสากองมีเห็นยเาไปเป็นกองหนนะ้าแล้วอาเสียงองเก๋งก็ยกฐานตามไปด้วย นยเตียนยกไปถึงตะ เ, เกตึงแต่กลับเห็นค่ายเปล่าอยู่เห็นค่ายเปล่าเปล่าไมไ่มีผู้คนรักษาเลยเ อ, อู๋เงี้ก้งคลิปวิออดีอว่ามีซูมาอี้แลงทําอไวเซเดลก็คิดรอฐานแต่นอกค่ายโกเสียงนี่ยกฐานตามมาทัเขาก็ปิดาบัตมิแ้วยกมาเนี่ย่ยแต่ค่ายเปล่าอยู่ชนนี้ ไมไ่เห็นทหารที่มาอี้ตั้งอยู่แห่งใดตำบนใบเลยจะเป็นประการได้ยังไรก็ยังไม่รู้อันหนึ่งกองถิ่นเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงพร้อมกันว่ากันยังไม่ทันขาดทำหรอกก็ดีเสียงประทัดตูดขึ้นเสียงทหาโอรอโหรงเอือกกระโรว์เข้ามาก็ตกใจแล้วไปเห็นแสงเปลิงจุดไหมมาริมทางสอง ท, างทาง่ทางทางทหารก็โยกต้นกักนมาหาดัน ฝ่าสุมาอี้มันก็ผาน้อมโกเสียงกับอูเหียนเทวะอูเหียนกั บ, กบโกเสียนก็ขับนกรพุ่มงมบอลกันอยู่ก็ดิอองเปงยกมาตามเนินเขาเห็นโกเสียงกับอูเหียนรกันอยู่กับสุมาอี้แนัน่นอ่ะก็จุดกะท ง, งานขับเห็นก็เกตตหักใจช่วยโกเสียนกับอูเหียนแต่ทหารมันรวมฝ่ายเป็นอันมากอองเปง ขีวยโกเทียนอีเทียนไดสำเร็จรอกแต่เสือถามได้เป็นอันมากทีเดียวในที่สุดก็พาอีเทียนกับโกเียออกจากที่ร้อนไดก็จะหนีกลับไปเมืองิียเรากราบสุเดงนและมกระทำนกันอีกองทัพน้ที่ส่งมาแต่แรกคือ เจดีนุนพมร่วงแทงน่ขนนั้นเกดนสิ่งไปรักษาเมืองไหซียอันนี้ถาว่าสุมาอี้ีได้เจดีแต่แล้วคิดติดว่าสุมาอีมีความชอบครัง้งีเป็นอันหนะ้ากแต่โกรธฉีขุนหันเรียกม า, าชิอานวอนหเซียเพื่อจะดีกว่าชีงความชอบบะจะได้มีความชอบบง ก็าตนยกมาพร้อมเด็กองหลงมาถึงเท OK ่าไวเชติโเกนกาสามารถดวาจาหนักหก็ถูกโคนงลงตีไได้วยวาจาตกใจหลังมาตายไป น, น้าองหลงนีเจกิมบัด น, นี้ก็คิดแบ่งระหว่ชอบมัลนะก็ยกมาถึงแานทานก็พบกับโกเสียงองเตงและอีเียงที่แตกไปเนี่ยกับัาก็รบพูดกันล้มตปลยลงได้สองฝ่ายละ โกเสียงอกเตงอุยเยียนเสียกำลังทหารไปอีกครั้งอีกมากทีเดียวทหารเบาบางก็ไปมากเลยจะซื้อโกฉุได้อะก็พาฐานนี้จะไปยันดานยังเด็นขวนฝ่ายโกฉุยเห็นุยเอีน่ายไปแล้วก็หว่าแก่ฐานนบกวาครั้งนี้ถึงแม้จาว่าเรามี้ด็กเกเ่ง แต่ด้ยมือหรือเ้กเป็นความชอบากดูก็ขับารีไปทีเดียวการไปถึงเป็นต์นแงไปปเห็นโกรกปัดี่สนนาวสายดนเศษมาไแลก็ตองรนรอแทนด้วยก่นอนซึ่งมาอีนี่เนี่ยรู้วาโกรกชก็เพืเดีกั น, นี่แหละกมาถึงก็ถึงมาบนหัโรเราเงียมาออกมาร้องสะบเราะไปว่า เป็นจังหวาโกชุท่านจะย ก, ยกมาช้าหลังจากนี้เราคือูมาอีบัชินได้ ก, ดก่อนโกชุยเห็นชมาอี้อยู่บ น, นหัวเระร้องออกมาเช่นั้นเป็นอระอาใจที่มันเป็นเหของสูมาอีทีู่มาอีควรจะได้อะแต่เป็นจัมหชินชีวามชอบอาาอามาเช่อย่างนี้เขาเปล่าเอาย่อยมาชนเนี้ย ก็จินตบสุมาอี้นี่ยามาดังเทพยดาที่ไหนความคิดเราจะเสนอให้สุมาอี้ด้กชุยก็ออกไปทำมาสุมาอี้ตามธรรมเนียนสุมาอี้ก็จินตบัดนี้เกิดถึงเป็นพี่สมัยนะเราก็ได้แล้วคือยึดตะเวนเกิดถึงได้แล้วแขนคนเด้งจะต้องเยกหนีเนั่นคนท่านกับเตจิน เกณฑ์ n ุณท่านเดตกไปติดตามจากโยโคได้จุดหนึ่งโกชุยก็รับนำสัมาอีกแล้วบอกกลับมาที่จัเป็นเจจินะสั่งมากเขว่าจะเก็บข้าวเจจน่ะได้ให้โชยกมาทงนี้ปลาตระหนักจะชิงเอาความชอบของเราแต่ังอยู่กับตัวเรา วิธีตั้ใจที่เาความชอบแต่ผู้ดียวไม่ไดเป็นมิตรของเราหรอกจึงได้ใช้ชนะมาเนตรตลอดโดยฉวยด้ยตัวเองอย่างนี้และมันมีโอเคียงวีเอีงองเตงมาเก็ตซคนที่แต่ตอนนัน้เห็นแก่ต้องเขาไปตั้งรีมตตานยังมึงวัญเปนแม่ครงเราจะไปเอนาน้าบัดนี้เรากเ แต่ยกฐานปีประทับหลังเราเข้ามาก็จะเสียทีเตียวครับแต่ถ้าคุณฐานเยกไปตั้งสะตัดอยู่กลางทางที่จะไปยังไข่ยังเบ่งขวนเถิดส่วนเราจะยกกองทัพไปตีของเบ่งแม้ดำเบินจำโกะแต่ก็จะเดินกองทัพไปทางเมืองเสียเสียจินจะได้เดียวกันเมืองเสียเสียนั้น เบโดยสร้ามนสบีอาหารด้วยเป็นอันมากเป็นเป็นที่อสาคัญของขนเบ่งอยู่ถ้าเราได้เงื่นเสือแล้วก็จะได้เงื่อนหำนเงื่อนเทียัดทีมาเดเพราะเป็นทารเลื่นตลอดถึงกันถ้าและผขนเบงนีมาถึงที่ที่พันซุบาหารอยู่ก็จะยกออกตีปัดเอาเสบีให้จบได้เียวรับกวาดนำ แล้วกรหมมาปลาซุมาอี้โยคะหัไปซุมี้ก็ตังสิานี้มีรักษาเนอย่อเสี้ยนเนี่เปัจองหั้ก็รียปทีนี้ยต่อาถึงสแผนที่สำคัญที่องเ แบ่งทหารกลับมาเกย์มาเีย์ขึ้นไปตั้งบนภูเขาแล้วองเตงมีคนีดเขียนแผนที่ให้คนใช้เอาแผนที่ไปแย่งกับผนด้วยนะนี่มาย้อนกลับผมตรง น, นี้เลยเพื่อฝ่ายคนใชย้ยี่องเตงใเอาแผนที่ไปแย่งกับคนด้วยนะมาถึงผมด้กก่อหนึ่สูตแผนที่เลยนะเอาไปให้อย่างเงียความติดเต็มเรียนเห้เาสระ เด็าวที่ระตันเห็นเด็ก ก, ก็ครี่แผนที่ออกทิเคราะห์ดีแล้วก็เอาฝ่ามมือตี อ, อกเป็นเองนผางเลยทีเดียวคือคุก อ, อกเป็นเองนผางเลยแล้วก็คบทนายมารเก็ตมันไปตั้งท่ายบนภูเขาอย่างนี้แม้ข้าติดลถมาล้อมปิดทางแ ม, มเ่เท่านั้น ทหารทั้งพวง ก, ก็จะเกิดจะราจกันกันขึ้นเองจะนีเสียการหรือที่ก็ทำทานนี้มาเก็ตจะแกล้งฆ่าทหารเราให้ตายสิให้เปี่ยนขนเป็นเ ป, นเ ป, นเปนล่าอย่างนี้เอี้ยมนี่นก็คิว่าถ้ามาเก็ตจะทำให้เสียการท่านี้ท่านเจ้าจะขออาสาไปรักษาตำบลเกษงเอง ก็เปลี่ยให้าตมาใช้ดกันกล า, าย้อนวนกันห ม, มดนะครับเนี้เราผ่ายอย่างนี้ผมาายยเก็จิว่าที่ทำว่านี้ก็ชอบแล้วถัดปนั้นหดช้าเลยนจนเัดจองนลวยกไยะเย็นนี้ก็รัาาบธมัดจอานยกไปก็คนมาใช้เข้ามาแจ้งว่าบัดนี้เกตเนและเมียหนีเสียนั้นแตกเจแล้ว เสยแตมากีแล้วเองก็ได้รู้คา่าวว่ากระทุกทา้าร้องไห้เลทีเดียวและก็บอกการใหญ่ของเราครั้งนี้เนี่ยเสียเสีแล้วและก็ต้องสียชีวิ ต, ตาทาทเต็มอีกเบยดไม่ได้ฟังเต็มเดีกวเปล่าใคุณทหารนายกระสานเด็ไปขึ้นอที่ทางน้อยอิเทา ดู ก, กองสัง่นตอนนี้คนดึงตกตนฝ่ายผู้รับนี่กพู้แท้ละแต่แ้นี่ยก็จะต้องพยายามประทับประอทองลาทหารทั้งตนกลับดุจามให้สูญเสียกันน้อยที่สุดรถเหลืองของดนงก็เริ่มสั่งการถอยละใครก็หนีเีวยวตามมาหามสามตามไปซึ่งชางยหนาริมเขา บ, บกกองสันและสั่งกำจัดว่า ถามที ม, ยยอมา อ, อยากมารกอย่าให้ออกรถขึ้นเลยไม่ต้องออกรถขึ้นเป็นแตีมาร่ำโ h ร r ้องว่าให้กลัวเท่านั้นนี่อกองทัพที่จะต้องใช้เสียงปีมาร่ำโ h o ้องให้กลัวเท่านั้นไม่ว่าถามที่มาอจะถอยไปก็อย่าต้งไม่ติดตามไปเลยหมายหมายติดตาม ปเป็นาหารีบไปยันดังยังด่วนกว่านี่ขนดินสั่งไปอย่างนี้ใครเคยทำไปมิ๊าขนดอนก็านั้งดวงตากเรียมเตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็ยิงให้เลเอ็กคุหมั่นเป็นกองมาสาหรับจะได้ทําั้วทางเพื่อทาหารผ่านไปได้โดยสะดว ก, กที่กองมาจะต้องทํามื่อทีทําบยาสี่งกี่กวางทั้งดว เพื่อให้ทหาถอยในปสะเดี๋ยทิ้งแล้วก็ฟังตารต่อไปให้เตียง E ม, มาตายสองนายนี่เลลงไปเป็นความหลังให้ตั้งรอที่ปากทางป้องการฐานทั้งดวงที่จะยกไปอย่าให้มีอันตรายได้ถึงจะต้องปกปักรักษาที่การฐาทั้งด ว, ปปงวงที่ถอยกั้นี้ให้มีการสูงเสียน้อยที่สุดแล้วก็กต่คนใหม้มีไปบอก กู้รักษามงินเปลี่ยนซื้อเมืองลำอังเมืองเสียเสียทามเงินหยบกุ่ตีได้ก่อนเนี่ยให้กรกษาเงทั้งสเบเนี่ยทิ้งเบี้ยใค้เลยหินีเข้านต่งไปเลยนั้งเวียนเป็นเมืองใหญ่เป็นมืดาน้คของเวนอเด็กเจ้ามงสามิ้ทิ้งเมืองเช นีไปทำผมแล้วก็ถึงชายแสนก็รับมารดาของเกียรอีตุ่มตุมาเข้าเกลีดก่อไปแล้วเนี่ยรับมารดาของเกียร์อีไปด้วยทังสั่งการไม่ได้บอกพ้องเลยและผมก็ตัดกแต่งเสร็จแล้วก็คุ้มฐานห้าพันกไปเมืองเสียแขวนถึงก็เกณฑ์ฐาน 2,500 ห้ให้ไปขนข้าวปลาหันทุกาำนวนมา แลาตัวคุณคนนี้ก็คุณมันกดดินเข้าไปตั้งๆๆเรเียนเรียนเรียวกเนคนนี้มหาปรารถนาเรียนเศษสวนด้วยโดยมพบค่รบที่มีชื่อเล่นพัเรียนกันเข้าแชมี้เนี่ยต้องถอย ซาโลปรจาันี้ก็งที่ไปญญยึดเยอีกงคังบแต่วันี้ไได้ก่อะถึงก่อนละทีนี่ขณะนีน้มาชายก็มาบอกว่าันนี้มาอีสนเงเยเดียวก็มาม้า 5, ันนั้นนอกนั้นก็ส่งออกไปปฏิบัติการกันางมางกนกแล้วนะ ลเล็นนเหืองขนดุหมา่ายมือสวยวนตใจทีเดียวทหารทังเปล่นเห็นนขึ้นมาซีดไปกันตามกันทหารผู้น้อยทหารผู้ใหญ่ต่งตางๆมาประการอาาายอทหารเสือที่ดีก็มิได้อยู่ละบัดนี้แต่ว่ายังไงก็เี่ยวนี้แทำประการไดได้แล้ว อดเดือมาอเป็นดีเดเสเซียเฉนี่ยนที่สุดผองเดือนก็คือเดอนเมษายนคำถามที่มาอีกยกมาเนี่เป็นอันกนึ่งดังมิเตียดเมียนเสียเสลี่ยเวลาไปทีเดียวเดือก็สร้างฐานตอนนี้ถอนทงผิดปัจจัยเดินต้งเพลมาเรียนซิคือวิธการต่อสู้ของท่าน สั่งให้ไอ้อมเทนทั้งชิดลงและสังต่อไปให้เปิดประตูเมียนทั้งสี่บ้านนี่คือการต่อสู้จากแจงทหารชาวบ้านให้ปกวาดทางประตูเมียนเป็นกฎสติประตูระยี่สิดและกำชับตำาบนาไปว่าวนี่ให้ฝรุ้งฝาเทนวาดตัวอนดาให้ไปทำแม่ดีกว่าทำคนกระอากมีอยู่แหละ เราไม่ก็ขับให้ฐานทัพเรือเข้าซึมซะซึมซ่งองกายนี่ขุ ด, า ด, าดเาะนี่จะทาเส้นทางได้ปากออกมาเพื่อหยีติดหมดแล้วก็ว่าเราจะคิดเอนอุบายอันเฟซมาอี้ขอยไปให้จุนบันห้าปีนายเจรกาเป็นอี้อี้ไปเราจะตัดที่ขาเส ขันมือถามมาตั้งครับตั้งคาถามของตนอย่างนี้สังใจแล้วขนบึงก็แต่งตัวอาโถงมาอย่างเด่นถึงแต่งตัวเป็นตีปเอถิรงามทีเ n ียวแล้วก็พาเด็น้อยสคนขึ้นไปบนหอรถชาเด็นั่งกระีคนนึงอีกคนหนึงือแสคนนึงอกี่คนนึงือแส่มีมีสอง แล้วก็ตั้งระทานทุกบูชาไว้ข้างหน้าแล้วรเอฟยงขนเด่นมาหาอุกรามช ม, อ ม, ามีอเฉลียวขวัญขินวิาราตเมย์บอกเคดับอาวุธระพุ่งกันนงกบใครท่านเนี้ยท่า น, น, น, นก็ขึ้นไปนั่นมีกระจับเป็นเริงอยู่มีเ่็นขึ้นเป็นขึ้นขึนเอมันขึ้นไปนั่งมีกึ้กจัเป็นเริงอยู่มีหนุบร้อมเป็นพปลงกายในตอนนี้ว่าขึ้นไปนั่งปีกขี เอาละอาละคือปนตีถึงก็นแล้วกันผมเดินถึงแต่หนึ่นดีกตีองดีแค่ไหนละความทหารกองมากของสูมาอียกเข้ามาใกล้นำแพงเนียนและวทุบมือบนหอรถมือก็ต้องเห็นหนังก็ได้ยินก็เห็นคงเดินนั่นดีกระจับตีดีแค่นก็คลามใจ ออกบอกกับสุมาอแบบนี้ขบแต่เด็ยกกำลังกองหน้าขบถึงจากแพเมือเสเห็นเมืองน่งเนีเขียอยู่มีตคนที่กระตเมืองน่ประตูรัยี่สิคนไม่อยากเบียเฉยอยู่อย่างนั้นเหลนตัวผมดุ่ะมาาลให้เมือเฉน่ะขนไปนั่งมีกลัตีเร่ออยู่็นหอรบนะเหประาบนะ กระบวนการงานกำลังอาหารทุกอย่าเข้าเมียงด็กตกเกรงจะกมถมไปเด็กกลับมาบารมกลับมารายงานเื่อาาสงุเเีย้อ้สัทยี็นายีรวอเดิแบงอากนัร เรามีเชื่อเราไปดูเองจุมาอีหวันก็ขึ้นมาผ่ทาฐานได้ประมาณ20คนแต่ก็ไอยืนอยู่ตไกลายกำแพงเดืองตะแกรงหกลาเหมือนกันแหละไแลขึ้นไปเข็มโคงเด่งแต่งตัวโออานาตาท่นชุนดูขึ้นมานสบายอยุ่สูมาอีเขาต้องคิดถือว่าอองทับเรา โยกมันำแบบนี้ก็เปการตรีตัวแต่คไม่ถึงเดืนี้แล้วแต่คได้หานีีความตื่ใจแต่กาบมันกลับมันม่งีเล็กกับปีเล่นที่คนนี้เรา s นี่ยเทรช็อต้องเป็นคไม่ราเนเงินคนชุมมาอีคิดแบบนี้ก็จริงใจกัว ตั n คนนี้จะซื้ออาหารไว้ก็ถามาพาทานก็เลยดีความกลัวนะดีค ว, วามกลัวนะสุมาอีก็ไม่จัดเกรกองทัพของตนให้กองหนาเป็นกองหลังกองหลั ง, งเป็นกองหน้าจะไปทนไดแล้วรีบสร้งถอยออกมาทาันดีสุมาอีกที่เป็นุสุมายานี่ดูจะมีะักอยู่บง้งก็ติห้ามว่ะ เหตทีไหนดีดาที่มากลัวของเบ่งถึงอย่างนี้ก็ขณะนี้บ้านี้คเบง น, น่เป็นคนสิ้นคิดแล้วสิ้นทหารสุดความคิดที่จะสู้อเราได้แล้วเห็นเด่ฟังะตายแข็งใจทำากลมเปล่าๆอยู่ขนะสุมาเกี่วทะลึงึ้อย่างนี้สุมาตก็คิว่าตัวเจ้าเน่ยมันดุแกวาม น, นะ ยังมีรูนคลับยมีคนเป็นคเด้งคนเด้งคนนี้เป็นคนปัญญาทํานการสงครามนะจะทำการสิ่งแบก็แงนอนเทำโอมสุดมีใครนะมาหลายครั้งแล้วจะมีสรตีปัญญาแบเพียนนี้จะเล่อนดีหนึ่งนเดงส่วนนที่ใหญ่แต่การสุดนั้นบังควรนั้นจะถึงทำเร่งเตือนไป จะต้องเปจะต้องเปนของผมเองจะพากันไฟฟ้านี่สุ น, สนใกล้คำของเจ้าว่าเราจะเชื่อไฟนี้ได้สุมมาอีกไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังแต่เก็บเงินแล้วก็ออกทาฟฝังเรื่องฐานะเดิให้รีบหนีไปทันที ก็ไม่ดีเกิอยากเป็นเรื่งเทิต้องตาจะมินิดนึงโคบหลงมีีมือทางดนตรีเนี่ยมิให้เบาแต่ครั้งที่อยู่ยับ้านเดิมเขาโนังตั้งหนึ่งก็เคยริ่มเดนตรีเริ่ดนตมันเีมือันดีจริงจังอันเนแบบของของเหืองมาอีก จะยกทหารกัเนี่ยเปิดไปแล้วตกมีเหวระทหานทั้พนพื้นยกฐานวซูมอีเนี่ยยกานาถึงสิบห้าหมจะทร้ายท่านตหก็เตนเตะถึงเพียงนี่ยเหตุใดถึงมีเตตกมีเหวระทอีกระผมเบ่ก็ตัวซึ่งเราเวระทานี้ขอระ เห็นว่าซูมาร์เนี่ะรูน้นิเท่าเราฉันทีนเราสึ้นทหารไว้กดตกใจตัวหนีไปเองอันควนอุบายเนี่ยเรามิทำก็จำต้องทำดิเก็มใจเกลื่อนเอืออยู่แล้วก็จำเป็นและสูมาอีกลับไปครั้งนี้ต้องจะต้องไปทางน้อยริเมเขาบุกกองสันไป น, นั่นคนุง ก็จะพบกับกทักเพเ ป, เป็นหินเตียเปล่าสี่ราให้ไปุ่มอยู่แต่จะต้องเป็นอุบายของเราที่ทำไว้ถึงยังไรก็ไม่เสียมีเปล่าผมบอกแบงนี้ก็วางแผไว้ก่อนแลวเป็นตังหละทหารทีด่ดูด็วขาของเบงว่านี้ก็ยินดีบางก็ชวนเป็นธรรมดแล้วก็ว่าถ้าเป็นใจเขาไปแตะทั้งปงนี่ละ ที่ไหนจะแข็งใจอยู่ได้ก็จะทิ้งเงินเพื่อพาันหนีไปเท่านั้นผมเองก็คิดว่าถ้าจะทาใจอ่อนทิ้งเงินเพ่อเป็นท่านว่านั้นทหารเราจะสองพันห้าร้อยคนเนี่ยมันจินงไหยิบ ม, มีนเท่านี้จะหนีทหารสิห้า 15, มนเนขาพนเลยเขาก็จะไล่จับเอาดังเมวไล่หนูแล้เวเนี้อมันก็จะเกลีจะหนื่อยกลมาได้หมดทั้งสื่อ ไม่ยากอย่างนี้ที่หนีก็มีไม่พ็นไม่คู่ก็ต้องคู่ไม่ทำก็ต้องทำประัำนใจต้องทำมาด้อย่างนี้เวลาคุณเบงก็เพิ่งนี้เ่ารออีกําใหนนึงเบงก็ดีใจคุณเบงก็ที่พูดตอบว่าบัตรนี้สมาชิกถอยทับกับดึกโกนของเรานั้นมีร้าก็จะต้องยกกลับมาทำรา้ายเราอีกจไ่ไว้ใจนิดหนักกวาดครอบครัวเพ่ยกชาเมืองทังเือเนี่ย ว่าถอยทับไปยังเมืองฮันตงซึ่งเป็นอันย่อของหลงน้ h แพ้เข้าสู่ฮันปงอันเป็นเมืองบางเืองสำคเมืองใหญ่ของเฉมฉวนะยว่าถอกลับแนแคว้นแดเฉฉวนของตนจะต้องมีมอชื่อ่ย่างเฉิี สุมาอีดไปถึงตำ เ, เขาบุกองสันละก็ได้ยินเสียงทหารของค น, ค น, คนเยเปาที่ตัง้งซอยู่บนเขานะ่โอ้ร้องกันนานวันไว้มันก็ตกใจทีเดียวสุมาอีก็หันมาตะลาบุดทายที่สองของตนคือสุมาอุสุมาเตียวท่กว่ า, ee, uman, านี่ยถาแม้เราไม่รีหนีมาเนี่ยก็จะต้องเล็กคนของคนดีจริงๆสุมาเอียอย่างนี้ ว่าจะในการขับคำว่ากา็ลายเป็นกองทัพโยกลงมาจากเมิน เ, เขามีธงดำแน่ครับปาทิ่อักษรปลาอดที่เตี้เป้ปาทหารใหญ่มีเตื้ยไป้ปามเตี้ยวหุ่บรรดาทหารของชุมชนอิศวรตกใจกลัวขึ้นซาตราวิวิ่หนีถอยรอดมาถึงปากทางจอบทางใหญ่เหมนกองทัพจับไกองนึทนงที่นี่มีงแดง การียชื่อว่าเื้องหินนายฐานแล้วคุมีเสียงโห่มันในป่านั้นูมาอีน่ะสมควเ่างโคลิมาชุนทหาร้หมที่ตนจริงตกใจเป็นที่สุทหารรับวน่ะกี่นะก็ถึงทิ้งรเบียว่ากราดทำเป็นอันมากฐาาั้งเตือนเลยหรอเอาตัวรอดเป็นพาดเดีแล้ว คนยิง เ, เตียวเป่าสองนายนั้นก็กระทำตามคำสั่งของโอนบึงคือไม่ได้เขารบไม่ได้ไล่ไม่ได้ติดไม่ได้ตามตดำเนการใดหรอกเพราะโอนบงสั่งแล้วไม่ต้องทําอะไรเป็นกองไปคอยดูมารอกของกองหัวลอกไอ้สนั่นไปนี้พอแล้วสมงแม่ทัพแม่ามใหญ่ทั้งสองนี้ก็ไม่ได้ติดตามโดนแต่ฝ่ายทหานกด็เครื่องสมเกลียงอาหารเครื่องจัารกลและภานะทั้ง์ปวง แล้วก็อิฐลาดทับ ถ, ถอยม า, ายถิ่นไฟเจาะถิ่นโจาะถิ่นท่านุณพลนร่วมแช่์กุพาทับใหญ่มาครั้งแรกอยสิบหมืนอ่าพร้อมเด็กพร้อมรองอ้าวันนี้อักจนอยู่แล้วนะ เดือดซูมาอีก ย, ยกทัพมาช่วยท่นเนี่ยและโกจินก็ต้งองคอยจะมาปรับฟังข่าวสงครามทั้งตัวเนี่ยก็รู้ว่กองทัพคนเด้งเลิกทัพไปแล้วถอยทัพไปแล้วคนเด้งถอยแล้วโกจินก็รีบยกฐานตามมาถึงปากทางซึ่งมีลุกอมถอยของพวกหลวงถอยดุดไปยาราชเจสีมาให้ศตรูติดตามรอยตนได้แม้แต่น้อย คืขอขนเป้งเซ็งเกียงอุยมาใต้มาปั้งสกัดหนูเมืโจตินนำําพตามมาหนึเกียงอุยมาใต้ก็เข้ารบพึ่งเป็นฝ่ามา้าทีเดียวเยอยมาใ ต, ต้นาทหารเข้าตะลุรบก่้าวฟันฐานโตตินล้ป่าจนันมากก็เป็นปั้งซุ่มอยู่ก่อนได้ทีโตตินเสียทีซู้ไม่ได้ก็ถอยทัพกลับหลังไปเกียนอุย มาตายได้ชายชาะแล้วผมก็จิถ้ารักอีกตนรักมาเรียบร้อยแล้วก็ยกตามกล้าเมืองฮันถงแต่ว่าไปก็เป็นสามกองใหญ่แล้วที่ถอยหมดคนไม่ถอยแล้วอุนหิ้เตี๋เปล่าถอยแล้วนี่เดชผลก็เลยไปตั้งๆกัน ยังอีอมาตายก็ถอยแล้วโดยผลประโยน์ยงีทีนี้อีกยอดทหารเสือน ส, สยอดยหารเสือทู่เผ่าที่ส่งมาให้ทำการรบเป็นกองพันอิสร ะ, ะแต่งตาอย่างนี้เลยจู่ร่งเตยจีจุ่ร่งพรามเตยจีหกเหรียญขนเป็น ก็รู้อยู่กับตู้่องมันมีสีนู่แต่ก็เข้าสู่วัยชราลแล้วเกรงความมุทลุอืมเป็นเหมนดังฮองตงอ่ะก็กินเชงเป็นกีพูดมากเป็นทู้นี้พูดเป็นีท้นี้มีความดีในตัวอยู่หลายประการมีตัวปัญญาดีมีความว่าเร่นแก่นไสก็อพอไไปอยู่กับคุวเล่นบ่ายเนี่ย นี่ยผม่อง้เต็มจยู่กับจีเรงเนี่ยก็ต้องไปบอกฝ่ายีร่งเต็มีขึ้ยกมาตั้งอยู่ในตำบลกีโก้แมนกดแก้รับว่าผมองในเลิกทับจากเขาบุกกองสันไปแล้วจีเร่งกด้รึกษากับเต็มจอ่ะแบบนี้องทัพนเขาบุกกองสังนี่ก็เลิกก็แล้วถอยไปแล้วเห็นว่ีมาอีกเนจะต้องยกติดตามมาเป็นมงคน าีชื่อเราเป็นตัวอักษรลงที่เทง น, นี่เวลาทําถงจะริอักษรเป็นชื่อเตีอยจู่น่งอยู่ดี่แะแล้ว่ออาใครจมาอี้ยกตามมาก็ต้องคุณฝันรีบหนีไปตามทางใหญ่ตัว เ, เราจะอุณฝันสึ่เดินตามเราไป ชูมาอี้เห็นน้อยตัวก็จะไจอยเกิดทันเข้ามาแล้วเราจะมาทางออกมาตีสกทุกหลังเองส่วนท่านก็ต้องกลับมามาลบปั้นเถวะวะทหารชมไอี้ก็จะแตกไปเองมีตรงง่งสั่งวิธีถอยนงสิงถอยกลับเข้าทำหนี้กันเถือว่าระวังพร้อมละ ถ, ะถ้าตกุลดตามมาก็จะต้องถูกขย้ำทำหันดูวิธีการเนี้ เร่องสั่งเป็นผีตัดการี่รอดึกษาแต่แตและคนยกฐานออกเดินตามกำหนดกับวายู่ชีปูช่ชยมีฐานหุ่นโตยกยันของชูมาอีกู่ชุยกมาตามคำสั่งชูมาอีครั้งนึงก็กั้ชักกับเข้าหัว เมื่อท่านนักอุมาในกองหน้ากนแบบ น, นี้จงดูอัธยาศัยยาประมาทในข่าพิถ้าเห็นทารกีเลี่ยงหนีแล้วหนึ่งอย่าด้เกิดทั้งไล่เขาไปนะแต่รอรังทหารมืท่วงทีก่อนด้วยกีเลี่ยงนั้นเป็นคนเจ้าความคิดนัดแต่งปนล่อลวงข่าเป็นแพ่เสียที แล้วก็มีที่มีเข้มแข็งนะถ้าพกเูเร้งแล้วให้เร่นถอยเพ้ยอืมโอชีสังหารคู่ใจยอย่างดีหรือเกลีก้ยงมลุดชำระเิ